เพราะว่าปัญญาเกิดสามทางทางฟังฟังแล้วก็เข้าใจเข้าใจแล้วเอาไปทำทางเกิดของปัญญาในคนเราส่วนใหญ่ที่มันมีความทุกข์และปัญหาต่างๆเนื่องจากว่าปัญญาของเราไม่ไม่สมบูรณ์ในการเพราะปัญหานั้นมันเกิดตลอดเวลาเพราะนั้นสิ่งที่จะทาให ปัญหาเนี่ยไม่เป็นเป็นความทุกข์ก็ใช้ปัญญาเข้าไปเปลี่ยนนั้นการที่เราจัดพิธีกรรมทุกอย่างทางศาสนาทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่แค่มันสวยมันงามมันครั้งศักดิ์สิทธิ์นะแต่ทำเพื่อให้เป็นการฝึกฝนปัญญาให้เกิดถ้ามันไม่มีกิจกรรมเนะี่ยามันเกิดไม่ได้ แต่ว่าคนที่เข้าไปทํากิจกรรมต่างๆถ้าไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการปฏิบัติธรรมมาก่อนปัญญาก็เกิดไม่ได้เพราะมันจะทําจิตจะมุ่งไปเรื่องสวยเรื่องให้มันดีเรื่องให้มันเป็นระเบียบแต่ในขณะธรำเนี่ยไม่รู้สึกตัวคือมีแต่ความอยากอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่ามาได้ทั้งสองอย่าง ทำไมเขาถ้าจัดกิจกรรมตกแต่งนู่นนี่นั่นไปด้วยแล้วก็ทําอย่างรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวไปเรื่อยๆอันนั้นหลวงพ่เทียนท่านบอกว่าคุณจะทําอะไรแต่ทำแล้วให้เกิดปัญญาทำแล้วไม่เกิดปัญญาบอกอย่าไปเสียเวลาทำํำท่านบอกแม้แต่ดูหนังฟังเพลงก็ไม่เสียหายแต่ให้มันเกิดปัญญาเห็นว่าแต่ถ้าหากว่า มันไม่เกิดปัญญาแม้จะนั่งกรรมฐานอยู่ทั้งวันก็ไม่ควรจะทําเพราะมันไม่เกิดปัญญาท่านถึงกล้าพูดขนาดนั้นเลยนะเพราะตัวปัญญานี่มันจะทําให้การพัฒนาชีวิตคนให้มันดีขึ้นแต่ปัญญานี่มีสองแบบหนึ่งปัญญาแบบสัรชาติยานหรือปัญญาแบบเชโกพวกนี้นะรู้และเข้าใจอะไรแล้วก็จะทําประโยชน์ให้แก่ตัวเอง เท่านั้นอะไรที่มันจะเป็นทางมาที่ได้ประโยชน์กับตัวเองก็จะใช้สติปัญญาในทางนั้นอันนี้จะก็อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นต่างมาผูกปัญหาปัญญาอันที่สองเรือกปัญญาที่เป็นปัญญายานทําทุกอย่างเพื่อมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ตนเองและผู้อื่น ถ้าไม่เกิดความสงบเรียบร้อยแก่ตนเองและผู้อื่นถ้าไม่เกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองผู้อื่นปัญญานี้เรียกว่าโลโลกุตระปัญญาอันไหนที่ทําไปแล้วไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเองผู้อื่นก็จะไม่เสียเวลาทําอันนี้คือสิ่งที่พุทธศาสนาเราส่งเสริมเพราะฉะนั้นในกิจกรรมทุกอย่างร้อยเก้าสิบ้าสิบเอร์เซน เราจะเห็นว่ากิจกรรมทุกอย่างจัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการสําเร็จประโยชน์อะไรบางอย่างที่มันไม่ทําให้เกิดปัญญาก็มีแต่ให้มันเกิดความตามโครงการอันนั้นอันนี้อันนั้นไปทึ้งถามว่าประโยชน์ที่ได้คืออะไรประโยชน์ที่ได้ก็คือลาบสกัลละนาตาชื่อเสียงแล้วก็ประโยชน์ ต่อมาก็จะพูดถึงว่าขอให้เกิดความรักความสามัคคีความเข้าใจซึ่งกันและกันประโยชน์เราคาดว่าจะได้นะแต่ถ้าลงไปเนื้อหาจริงๆแล้วมันได้จริงหรือเปล่าเราก็ไม่มีใครทราบได้เพราะในประเทศไทยเราจัดกิจกรรมลักษณะนี้มาเป็นนับครั้งไม่ถ้วนถามว่าความรักความสามัคคีความสงบความเรียบร้อยความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นไหม ก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นผลตรงรันข้ามทั้งหมดประเทศชาติมีปัญหาผู้คนยากจนลงมีปัญหายาเสพติดปัญหาจิตประสาทปัญหาสุขภาพปัญหาความยากจนตามมามากมายให้แสดงว่าปีกรรมอะไรต่างๆที่ทํากันมันไม่ทําให้เกิดปัญญาเลยเพราะไม่ได้ลดปัญหาลงไม่ได้เปิดประโยชน์แก่ตัวเองหรือผู้อื่นเนีเพราะฉะนั้นจุดนี้มาเคยอยู่กันพ่อเทียนมา ก็ก็ฟังท่านว่าอะไรก็ตามที่ทําแล้วพูดแล้วคิดแล้วไม่เกิดปัญญาอยากเสียเวลาทีนี้ปัญญาก็อย่างปัญญาที่เป็นฉันเชตยานเป็นปัญญาตอบสนองความอยากเช่นเราทําอาชีพการงานการอาชีพต่างๆเนี่ยเพื่อเราทําดีที่สุดตั้งใจทําจริงจังมีนติมีความอดทนมีความฝันฝ้าย แต่ว่านั้นคือการใช้ปัญญาเพื่อจะได้เป็นสันสัตวยานเคยเห็นนกมันทํารังไหมว่ามันขยันตัวเรามากๆนะวิ่งไปแต่เอาหญา้าแต่และเส้นมาถักมาสานกันกูจะเป็นรังวอลลุ่มเลยนะข้างๆที่นอรธเทอรามามีรังนกรังขนาดใหญ่แต่นกเอามาเห็นมันเข้าไปอยู่นกตัวเล็กๆมันวิ่งวันไม่รู้เป็นหลายๆพันเที่ยวกูจะแยกมาเส้นมาสัก ถามว่ามันมีปัญญานั่นหนึ่งปัญญาแ ล, ล้วลดนกบางชนิดเขาเรื่องนกอะไรมันสร้างรังได้สวยมากนะที่มนโนเขาใอยบนดวงว่าเขาเรื่อกนกอะไรฮะเออนกกระจอกฟ้าเนาะโอ้รังมันสวยมากเลยมันถักมันสานคนยังทําอย่างมันไม่ได้เลยนะเพราะมันปัญญามันดีกว่าเราในบางบา ง, บางเรื่องเนี่ยแล้วจะเห็นว่าปัญญาเพื่อตอบสนองสัญชตาตญาณเนี่ยจะทําให้ดีให้สวยขนาดไหนอือแต่ว่า ถามว่ามันลดปัญหาลงไหมหรือมันก่อปัญหายิ่งขึ้นนี่ก็เรื่อปัญญาแบบสัญชตาตญาณศิลปินทั้งหลายก็อาจจะแต่งเพลงได้เพราะเป็นที่ดึงดูดใจคนอาจจะวาดภาพได้สวยมีราคาสูงอาจจะประดิษฐ์ปดอยอะไรออกมาเป็นรูปแบบสวยงามแต่ถามว่าเขามีทุกข์ไหมถ้าเขายังมีทุกข์อยู่ปัญญาที่เกิดจากการประดิษฐ์สร้างสรรค์งานเหล่านั้นก็เป็นปัญญาสัญชตาตญาณไม่เป็นปัญญายาน นะอันนั้นเองในจุดเนี้ยเราต้องคำนึงเสมอว่าสิ่งที่เราทํเนี้ยเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นมากไหมแนะม้แต่การใกล้ที่สุดมาถูกตัวเราเองเนียรูปนามของเราเองในทุกวันเนี่ยเราพอจะประเมินตัวเองได้ไหมว่าเราความทุกข์มันน้อยลงความสุขมันเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนแล้วก็ความปัญหาในครอบครัวปัญหาในส่วนตัวของเรามันลดลง หรือว่ามันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันยังเหมือนเดิมเนี่ยเราต้องมาสำรวจตรงนี้โดยเฉพาะเอาง่ายๆปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยถามว่าเราอายุมากขึ้นสุขภาพเราดีขึ้นตามไหมโดยสุขภาพเราแย่ลงไม่ใช่ว่าเป็นหลักว่าทุกคนแก่เจ็บตายแล้วมันจะต้องแย่เหมือนกันทุกคนไม่ใช่นะแต่บางคนไม่เป็นนะบางคนยิงอายุยืนขึ้นก็ออยิ่งแข็งแรงยิ่ง สติปัญญาดีบางคนอายุมากขึ้นยิ่งเสื่อมโทมยิ่งสุขภาพไม่ดีมีปัญหาแยกๆนั่นก็แสดงว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาเพื่อมาจัดการกับตัวนี้นะมันไม่ใช่เป็นหลักว่ามันจะต้องคนแก่แล้วจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดคนเจ็บจะต้องเปยังไม่ใช่แต่บางคนยิ่งแก่มันก็ยิ่งมีคุณภาพบาคนยิ่งแก่ยิ่งเสื่อมคุณภาพหมดสภาพข้ออะไรเพราะการ ใช้ปัญญาบริหารชีวิตไม่ไม่เหมือนกันนะดังนั้นเองมาได้เอาศึกษาธรรมะแล้วเข้าใจกฎเกณฑ์นนี้แล้วอ๋อสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมันไม่เท่ากับไม่เท่ากับเราดีกายของคนอื่นเป็นแสนเป็นล้านดีแข็งแรงเนยมันไม่เท่ากับเราแข็งแรงคนอื่นมีความสุขสงบเป็นแสนเป็นล้านมันก็ไม่เท่ากับเรามีความสุขสงบ นั้นตัวนั้นจะเป็นพิสูจน์ปัญญาเราว่ามันเป็นปัญญาที่ถูกหรือที่ผิดนะนนการฝึกฝนสติปัญญาออกมาจึิงพยายามที่จะตุ้นให้คนกระทำตลอดเวลาเพราะมันใช้เยอะขนาดตัณหาเนี่ยปฏิบัติขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่ค่อยพอใช้บางครั้งนะเราะนั้นคือจึงว่าพยายามส่งเสริมง่ายๆอย่ามาให้เห็นคนเดินอย่างเงี้ยอามาสังเกตว่าคนนี้เดินด้วยปัญญาหรือเดินด้วยตัณหา ถ้าเดินด้วยตันหามันจะเสียงดังตึงตึง ต, งตงึเพราะมันอยากจะไปให้ถึงจุดไวๆแต่มันไม่คํานึงถึงว่าการเดินมันไม่ได้ยินแต่เดินด้วยปัญญามันจะเบาและนุ่มและสบายและผ่อนคลายนี่คือเดินด้วยปัญญาไอ้สิ่งที่เราจะทําเราจะรีบร้อนเราจะช้ามันก็มีผลต่างกันไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรามีสติมีปัญญาในการเดินในการทํามันมีผลต่างคนละเรื่องเลย กับต้องการที่จะให้มันทันใจต้องการที่ให้มันเสร็จต้องการให้มั น, มนดีแต่ไม่มีปัญญาเนี่ยบางทีมันเหนื่อยไม่จบไม่สิ้นดังนั้นลักชาวพุทธของเราถ้าไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตอย่างนี้ชาวพุทธเราไ ม, ไม่ได้นับถือพุทธเลยนะเต่นับถือศาสนาคิดศาสนาคิดศาสนานึกเราไม่ได้ถือศาสนาพุทธไม่ได้ถือศาสนารู้แต่ไปนับคือศาสนาคิด ไปเส็คลิดนะคิดศา ส, สนาคิดก็ไปตามความคิดเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มาทํางานร่วมกับพระมาก็จะสังเกตว่าใครมีปัญญาใครไม่มีปัญญาบางคนกําลังดีมากแต่ไม่มีปัญญานะก็ใช้ทุ่มเทตเต็มที่เลยหนักเหนื่อยอะไรไม่ได้อย่างใจก็พอดีข้าหงุดหงิดเศร้าหมองนะไม่มีปัญญาแต่บางคนค่อยทำไปเรื่อยๆเย็เยนๆสบายๆทาได้เรื่อยๆ อะไรมากระทบกระแทกก็ทำมาได้เรื่อยไม่งูดงิดไม่สศมองนี่เรียกว่ามีปัญญาเพราะฉะนั้นทุกๆ ก, กิจกรรมเนี่ยทำให้เราเกิดปัญญาได้ทั้งนั้นขึ้นแต่ว่าการฝึกฝนของเราเนี่ยมันเอื้อต่อการให้เกิดปัญญาไม่การทำกรรมฐานถ้าไม่เอื้อต่อให้เกิดปัญญาก็เรียกวมันไม่เป็นวิปัสสนาแต่ถ้ามันเอื้อให้เกิดปัญญานั้นเป็นวิปัสสนา คุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามปัญญาเกิดตลอดเวลานั้นเป็นวิปัสนาแต่เราบอกว่าเราปฏิบัติวิปัสนาแต่การทําอะไรทุกอย่างมันยังไม่เอื้อให้เกิดความผ่อนคลายความสบายความรู้เนื้อรู้ตัวก็ยังไม่เป็นวิปัสนาเป็นแค่สมถะเป็นความอดทนธรรมดาเพราะฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเราจะต้องแยบกายในสิ่งเหล่านี้ ดนั้นถ้าไม่แยบใครในสิ่งนี้เราจะไปเอาปัญญาจากที่ไหนไปปัญญาเราไปเก็บอารมณ์หรอเราไปเข้าห้องกรรมาฐานหรือหรือตอนไปเก็บเข้มหรือออกมาก็เหมือนเดิมนี้ถามว่าพัฒนามั้ยก็ไม่พัฒนาเหมือนเราไปหาเงินเนี่ยได้เงินมาแล้วเราไม่เอามาใช้เงินที่เราหามามีประโยชน์ไหมใช่ไหมไม่มีเนาะเราก็ต้องเอามาใช้เราไปสแสวงหาสติปัญญามาก็ต้องเอามาใช้ใช้ตอนที่เราใช้ชีวิตนี่แหละ การกินการดื่มการพูดการทำแล้วการทำก็เหมือนกันเช่นทำงานเนี่ยไม่ใช่ทำได้ทุกเรื่องนะบางอย่างก็ทำได้บางอย่างทำไม่ได้ อ, อยู่ที่ว่าทำเป็นหรือไม่เป็นถ้าทำเป็นก็จะรู้จังหวะจากโคนถึงประโยชน์และความหมายของมันถ้าทำไม่เป็นก็เรียกว่าก็ทำเอาอย่างที่ใจเราจะจะทำ ซึ่งเป็นเรื่องพุทธศาสนาเนี่สอนทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดปัญญานะ่ให้เกิดปัญญาแต่เราทั้งหลายเนี่ยเราเมักจะใช้ชีวิตมันตกกันข้ามไปไป ส, ส่วนใหญ่ไม่ใช่ไม่มีนะบางคนก็นมีดีมากๆเลยคนไหนมีสติปัญญาในการฝึกฝนตนเองพัฒนาตนเองอนมานี้เข้าไปขอความรู้จากเขาเลยนะการที่เราจะเกิดปัญญาได้มากก็คือลดทิฐิมณะลง ลดความถือเนื้อถือตัวลงแล้วน้อมเขาไปหาจะเป็นเด็กก็ได้แต่เขาทำอะไรเป็นพูดอะไรเป็นก็คุยเขาถามเขานั้น ว, วิสัยคนมีปัญญาแต่วิสัยคูไม่มีปัญญาอะไรก็กูเท่านั้นแน่หมดอะไรกูรู้หมดคนอื่นสู้ฉันไม่ได้คนนี้โง่ทั้งชาติเลย่างนั้นไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่โอ้พุทธศาสนานี่มันมีคุณค่ามหาศาลตรงนี้เอง มันทําให้เจลิญในชีวิตของเรามันเป็นเพชยิ่งกว่าเพชรอ่ะนะมันเพชยิ่งกว่าเพชรเพราะฉะนั้นเอามามีสติปัญญาพื้นฐานมาแค่นี้ยังได้พัฒนาขนาดนี้แต่คนที่มีสติปัญญาพื้นฐานการศึกษาดีมาก่อนเนี่ยถ้าเขาพัฒนาจริงๆแบบเข้าใจเนี่ยเขาจะไปไกลขนาดไหนแล้วเขาจะพัฒนาโลกและสังคมให้มีความสุขสงบมากขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นเองก็จึงอยากจะให้ทุกคนตระหนักว่า การที่เราเข้ามาสู่พุทธศาสนาแล้มาศึกษาวิปัสนาและในสายงานอลวงพ่เทียนด้วยในสายงานหลวพเทียนนี้ไม่ใช่ใครจะเข้ามาปฏิบัติได้ง่ายๆนะเพราะว่าดูเหมือนจะง่ายแต่มันยากเอ อ, เ อ, อแค่คุณยกมือไปสร้างจังหวะเดินยกกลมเป็นก็เหมือนว่าจะเป็นละอันนี้ไม่ใช่เลยน ะ, ะไม่ใช่เลยเมือนทุกคนน่ะถึงเวลาอาบน้าถามว่าทุกคนอาบน้าสาสาดเหมือนกันหม ผู้คนซักผ้าถามว่าผุ้คนซักผ้าสารเหมือนกันไหมไม่สะอาดเนนะนะเหมือนกันทุกคนยกมาายกมือทุกคนกำหนดรู้ถามว่าเกิดปัญญาเหมือนกันไมไม่เหมือนกันดังนนั้นเองตรงนี้เราต้องไม่เสียเวลาชีวิตไปวันๆถ้าเราจะบอกว่าเออถึงเวลาก่อนค่อยภาวนาตอนนี้ขอทำงานก่อนยังไม่ภาวนาอันนี้คิดผิดแหละการภาวนามีได้ตลอดเวลา เพียงแต่คุณมีสติสมาธิลงไปในการทํางานในการเคลื่อนไหวแค่นั้นแหละปัญญาเกิดได้ภาวนาเกิดขึ้นได้เลยแต่ถ้าเราทําตรงนี้ยังไม่เป็นนะเราให้เก็บอารมณ์ไปสามเดือนเจ็ดเดือนสามปีเจ็ดปีก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรพัฒนาแต่ถ้าทําตรงนี้เป็นน่ะอาจจะไม่ต้องเก็บอารมณ์เลยแต่ว่าก้าวหน้ากว่าคนเก็บอารมณ์อันนี้สําคัญเป็นอยากจะให้ตระหนักให้ศึกษาเพราะเวลาเราผ่านไปทุก นาทีเนี่ยเอาคืนไม่ได้เลยแต่มันผ่านโดยที่ไม่เกิดสติไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาเป็นการเสียเวลาถึงแม้ว่าเราจะได้ค่าเสียเวลาเป็นชั่วโมงละแพงๆก็ไม่คุ้มแต่ถ้าเราทำงานฟรีๆแต่สติปัญญามันเกิดเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้คุ้มฝ่าเพราะสติปัญญามันอยู่กับเราตลอดเวลามันกินไม่หายใจไม่หมดแต่ค่าตอบแทนต่างๆมันกินหายใจหมดแล้วถึงได้มามันก็หมดไป แต่สติปัญญามันได้มามันจะไม่หมดยิ่งงอกงามยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าอาริยทรัพย์ น, ะ, นะคนมีความอยากที่จะมุ่งเทพพกขทรัพย์อยากจะได้พกขทรัพย์แต่พอให้อริยทรัพย์เนี่ยเอาไม่เป็นความจริงบอกว่าเราไม่มีบุญวัสนาทําได้แค่นี้ไม่ใช่นะมันอยู่ที่ความพยายามพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความพยายามเราพยายามอยู่นั้นนะ่ะถ้าสมมติว่า มีดเราไม่คมไม่เข้าอย่างนี้นะถ้าเราพยายามฟันมันอยู่นั่นแหละรู้จักเอาไปรับรู้จักเอาฟันแล้วก็รับรับแล้วก็ฟันมันต้องเข้าแต่ถ้าเรารู้ว่ามีดนมันไม่เข้าไม่คมเราก็ไม่ฟันก็ไม่แดงหรืก็ไม่หาทางที่จะรับมันก็ไม่คมไม่เข้าอย่างนั้น่ะคนเราก็เหมือนกันรู้ว่าสติปัญญามันไม่พอเพะต้องฝึกฝนต้องพยายามทําแล้วทําอีกลำแล้วไปอีกก็ยังไม่พัฒนาก็ต้องถามท่านผู้รู้เออทานี้ทําังไงมันถึงจะถูก นี่ก็คือเราถึงมีครูมีเพื่อนมีการะยานมิตกันเพื่อจะอาศัยเหมือนเราเงินเราไม่พอก็ขอยืมเพื่อนเนี้ยเราก็ยังยืมเป็นแต่ถ้าหากว่าทางด้านสติปัญญาเป็นนามธรรมถ้าปัญญาเราไม่พอสติเราไม่พอก็ถามเพื่อนแต่บางคนอาตมาอยู่ธรรมาทั้ง น, นั้นก็ไม่เคยถามว่าเ อ, อ้อนี้ปฏิบัติเป็นยังไงเข้าใจอยนี้ถูกไหมอะไรไม่เคยถามอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหนึ่งการะยานมิต หรือครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงที่มีสติปัญญาดีกว่าเราเนี่ยเรียกว่าครูของเราไม่เขาจะเป็นเด็กก็ตามนะแม้เขาเป็นเด็กก็ตามเราก็ให้ความสําคัญตรงนั้นเพราะพระพุทธจาท่านตรว่านัตติปัญญาสมาภาแสงสว่างในโลกเนี่ยไม่มีอะไรเสมอปัญญาแม้แต่พระที่จะขึ้นกี่ดวงก็ยังไม่เท่ากับปัญญาเพราะแสงสว่างในโลกมันมันส่องได้ชั้นเดียวแต่ปัญญามันส่องได้ไม่มีจํากัดนะ คนมนุษย์ธรรมดามันส่องลงไปในดินมันเห็นแร่ธาตุทองคําอยู่ในเพชรดินทินด้อยู่ในน้ํามันอยู่ใดมันเห็นมันส่องไปลึกไม่รู้กี่พันไมล์แต่ชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีปัญญาแบบนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ตนเองนั่งทับเงินทับทองอยู่ก็ไม่รู้ว่มันมีขอทานคนหนึ่งนะนั่งขอทานอยู่ที่สี่แยกที่ตรงที่แกนั่งขอทานเป็นกล่องไม้เล็กๆอยู่ ก็เข้านั่งมาขานั่งขอทานตรงนั้นทุกวันอะ่ะมันอาจจะมีอยู่ก่อนแล้วออกมาเนี่ยแต่แกไม่รู้วันแกโดยความที่ว่าออมันง่ายดีก็นั่งขอตรงนั้นแหละนะเสร็จแล้วบางครั้งแกก็เป็นวันนิพกคือมีดนตรีมีวาดภาพให้คนก็ให้ทีนี้ท่านผู้รู้คนหนึ่งเดินผ่านมาท่านรู้ว่าที่ขอทานนั่งมันคืออะไรถ้ารู้ได้ไงไม่รู้ก็บอกไปบอกว่า ท่านนั่งขอทานแลกเปลี่ยนขอเงินตรงนี้มานานเท่าไหร่แล้วเออหลายปีแล้วบอกว่าเออท่านไม่รู้เลยว่าท่านเป็นคนรวยอารู้จะว่าข้าพเจ้าเป็นคนท่ารวยก็ไม่นั่งมาขอแบบนี้ไอ <c oughs> สิ่งที่นั่งทับอยู่นั่นแะคือสมบัติมหาศาลแต่ท่านทำไมไม่รู้ออทีนี้ไอคนขอทานก็ว่าเขาพอพูดเล่นแล้วก็ผ่านไปไม่ได้สนใจอะไร ในวันต่อมาคิดได้มันจริงหรือเปล่าไอ้ที่เรานั่งมามันมีสมบัติตรงนั้นก็ไปเปิดไปพลิกดูไปเจอว่ามันเป็นทองคำอยู่ในนั้นคนมาทำตกเอาไว้แล้วไม่มีใครสนใจนึกว่ากล่องไม้เก่าๆ เ, เห็นไหมแล้วคนคนนั้นรู้ได้ยงไงอันนี้เราบอกไม่ได้ว่าเขารู้ได้ยังไงแต่เขารู้เพราะนั้นวิสัยของคนมีปัญญาเนี่ยมันไม่รู้กันไม่ได้แต่เราจะรู้ได้ต่อเมื่อเขาพูดออกมา เขาทําออกมาเขาคิดออกมามันก็เป็นสิ่งที่สอว่าคนนี่มีสติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาที่ถูกต้องมันเป็นลักษณะความคนคลายยิ้มแย้งแจ่มใสเข้ากับเพื่อนได้เข้ากับผู้กับคนได้นั่นปัญญาที่ถูกต้องบางคนมีสิทปัญญาดีแต่ว่าแสดงความรุดเรียวเกลียวกะเเอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ต้องมีความผ่อนคลายมีเหตุผล ยิมแยนแจม่มใสมีความเป็นกลมกลืนอ่ะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกฝนบางทีมันก็ไม่มีทุกคนก็เรียกว่ามีอวิชชามีความอยากมีความราคะโทสะโมหะมามเป็นพื้นมาก่อนแต่ว่าวิปัสสนาจะสอนให้เรารู้จักเปลี่ยนนะรู้จักเปลี่ยนอย่างเรวนั่ง น, ะนานๆรู้สึกเป็นไงหนักไหมทําไม่ขยับเลยรู้สึกไงก็หนักไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าขยับความหนักยังอยู่ไหม มันก็หายไปการที่รู้จะขยับแล้วความหนักหายไปนี่มันเป็นอะไรเป็นสติเป็นปัญญาหรือเป็นความอยากเพราะมันอยากสบายแล้วก็ขยับอย่างนี้ก็ความสบายก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันถามว่าปัญญาเกิดไหมผลมันเหมือนกันนะมันได้มันได้เหมือนกันได้คลิกแล้วเกิดความสบายได้เหมืกันแต่ถด้คลิกแล้วได้ปัญญาด้วยได้ความสบายด้วยคลิกยังไงฮะ รู้เน้อรู้ตัวในการพลิกก่อนที่จะพลิกและขณะพลิกและพลิกแล้วเราได้เห็นความหนักนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรเห็นความเบาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลักษณะนี้เลยว่าสติปัญญากเกิดล้ง่ายๆอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ถ้าหากว่าเราดูแคลนหรือดูถูกความรู้สึกเนี้ยมันจะมีะประโยชน์ได้นักหนา เ, เราก็ไม่ใส่ใจเราไปคิดแต่จะเรื่องใหญ่ๆ ถามว่าต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยมันงอกมาจากอะไรมันโตพรุกงหรือทีเดียวไหมไอ่ติ๋มเคยเห็นเคยปลูกเคยปลูกมะเขือไหมมะเขือมันเม็ดใหญ่ไหมแต่ต้นมันเริ่มเลยใช่ไหมมันเริ่มจากเม็ดเล็กๆเหมือนกันสติปัญญามันก็เริ่มจุดเล็กๆของการกระทํานั่นแหละแต่แล้เอาใส่ใจเอาใส่ใจมันเม็ดข้าวเม็ดหน่งเมืองทีออกเป็นรวงอ่ะใช่ไหมเป็นร้อยเม็ดพันเม็ดแต่มันคือเริ่มจากเม็ดเดียว สติปัญญาที่ว่ามากมายมันก็เริ่มจากจุดที่ได้จุดที่ได้จุดที่เราให้เอาใจใส่และความสําคัญกับมันเพราะฉะนั้นคําสอนพระพุทธเจ้า ม, ม, มันมันมีค่ายิ่งกว่าเพชรกับพลอยแต่เราได้อาศัยเราเพืเทียนได้นําเอาเพชรพลอนะมาเจริญในาเป็นเครื่องประดับให้เราเราก็เอามาประดับโดยไม่รู้ที่ไปที่มาเลยแทนที่จะเออมันดับประดับสวยทีย่มันมาอย่างไงไปตามหา โคดเพชรโคดพลอยออกมาเจรณาในาเองจะได้เยอะกว่าท่านเองแทนที่ถ้าหาเจรณาในาท่านเจรณาในเอาเพชรหนึ่งเราก็ซื้อมาใช้แล้วท้าไหลก็เท่านั้นแต่เราไปหาเพชรเพชรนี้ไม่หายากกันในตัวเรานี่แหละพุทธรัตน์ตัวรู้เป็นเพชรในตัวเราธรรมรัตนะความจริงเป็นเพชรในตัวเราสังขรัต น, น์ความสัมพันธ์ความสามัคคีของกายของใจรู้จักกรรมกายทำใจให้อยู่ด้วยกันสา ม, มัคคีกันเป็นเพชรในตัวของเรา ไกลไหมความรักและความจริงและความสัมพันธ์ความสมดุลสามอย่างนี่คือรัตนทั้งสามแต่พอเราตีบทนี่ไม่แตกพุทธทางสสดงกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถึงบางระย่างพุทธเจ้าท่านตายไปตั้งนานแล้วไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงนั่นน่ะพุทธเจ้าที่เราเข้าใจแต่ถามว่าพุทธทางสสดงกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงเพราะว่ารู้ตื่นเบิกบานในตัวเองเป็นที่พึ่ง ถึงทันทีไหมถึงธํามังแสดงข้าฉามีข้าพเจ้าพอถึงสื่อความจริงในตัวเราความจริงในตัวเราคืออะไรจริงในตัวเรามีสี่อย่างหนึ่งความสบายความไม่สบายชีวิตนี้มันไม่สบายตลอดนั่งแล้วพิกแล้วพีิกอีกใช่้ปดขาวปวดแล้วนี่คือชีวิตนี้คือเห็นความจริงคือทุกข์ความทุกข์หนักก้อนนี้ที่เรานั่งทับมันนี้จูๆ่ๆมันเกิดขึ้นหรือมั น, ม, น, ม, นมันมาจากไหน คุปะมันเกิดเลยใช่ไหมพลิกไปตั้งนานมันเกิดใหม่มันต้องมีที่มานั่นคืออะไรเหตุของทุกข์คืออนิจจังทุกขังหน้าตาเพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นเหตุเกิดทุกข์เป็นความจริงในตัวเราแล้วไอ้ความหนักๆ น, นี่เราดับมันได้ไหมดับได้ทําไงก็ขยับออกหายละอาจารย์ที่ขยับได้มีสองลนะักษณะหนึ่งขยับด้วย สติปัญญาสองขยับด้วยตัณหาอุปาทานขยับด้วยอะไรถ้าขยับด้วยสติปัญญาเป็นความจริงอันที่สามมีอยู่ในตัวเราและอันที่สี่เราขยับขรั้งเดียวพอไหมนั่งแล้วสักชั่วโมงไม่ต้องขยับเลยขยับข้างเดียวพอไหมท้ยทํางเพิยงจะพอต้องขยับบ่อยๆต้นนั้นเรียกว่ามั่งมีแม้ความจริงเนีน่ยในตัวเรา นี่ให้รู้ความจริงมีในตัวเราคือทุกส ม, มุทัยนี่โดนมักเอามาใช้มนะั้ตอดเวลาไม่ใช้ตอนที่หลวงพ่อพูดดีเท่านั้นออกไปจากนี้ก็ลืมแล้วอันนี้คือมันยากตรงนี้เองเพราะมันยังไม่เป็นนิสัยเพราะนิสัยแต่ความเคยชินของเราเนี่ยแหละคือเป็นนิสัยแล้วเมื่อไหร่มันจะพลิกตัวนั้นได้มัางนะดังนั้นเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาน ะ, นะ ให้นี่คือพระธรรมทำมังสะนังกชามิเข้าใจหลักอริยสัจสีเข้าใจใช้หลักอริยสัจสีนั้นคือเข้าใจพระธรรมอันที่สามสังขังสะนังกชามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางสมมุติภายนอกนะใครพึ่งใครแน่พญานันพระพึ่งโยมหโยมพึ่งพระ ตอนเช้ามาตื่นขึ้นมาก็เตรียมตัวจะไปบินเทวดาแล้วไปพึ่งพระล้วไปพึ่งโย ม, มถ้าโยมไม่ใส่บาตรมาพระก็ติดอารมณ์เหมือนกันว่าวันนี้ไปบินเทวดาไกาไม่ได้พึ่งจะได้กุฏิสักหลังหนึ่งพระไปทําเองไหมไปเรียบบอกบุญเรียรายโยมเกือบตายก็จะได้มาหลังไปศาลาหลังเนี้พระก็ไม่ได้ทำเองเท่านั้นพระพึ่งโยมในแง่ของสมมุติแต่ในแง่ของปรมาธิษ เราต้องพึ่งตัวเองอัตาหติจตโนานาโธเราจะพึ่งได้ยังไงกายกับใจรวมกันเมื่อไหร่มีกำลังกายกับใจแยกจากกันเมื่อไหร่หมดกำลังพึ่งตัวเองไม่ได้การดึงกายกับใจมาอยู่ด้วยกันชัดๆตลอดเวลานั้นคือการสังฆะเป็นรัตนะอันหนึง่งเราเคยพยายามอย่างจริงจังไหม ไม่หรอกหลวงพ่อกต็อตุ้นเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นแต่เมื่อไหร่หลวงพ่อเลิกกตุ่นเหมือนเดิมตรงนี้มันมันสำคัญไม่สําคัญอยู่ตรงเนี้อใครเอาไปทําต่อแล้วเราก็จะเกิดที่พึ่งอย่างแน่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ตามที่เราทราบว่ามีกิจกรรมที่เขามาช่วยให้เราเกิดปัญญาอย่าไปคิดว่ามาเป็นภาระของเราแต่เราจะเอาปัญญาจากกิจกรรมนี้เป็นไหมนะคือหมายความว่าเราช่วยอย่างรู้สึกตัว ยิบยานจ่มใสดังนั้นจากนี้ไปหกโมงถึงเจ็ดโมงเราไปทําพระจะบินทบบาทไหมครับนี่จะบินทบาทไหมฮ ะ, ะถ้าไปบินก็ชั่วโมงหนึ่งกลับมาแต่ไม่รู้โยงเขาเตรียมอาหารหกโมงหรือ็ดโมงสบายพระให้ทุกครัวบ้าง หกโมงหือเจ็ดโมงเจ็ดเนี่ยงั้นก็ไปบินทั่บาทแค่กลับมาพอดีอะ่ะบินทั่วบาเช้าหน่งอ่าก็อย่งยงที่ไม่ได้ไปมือบาททำอะไรทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูที่ตรงนี้จะใช้เป็นที่อ่าที่แรกก็จะให้พระฉันที่นี่ท่านเดชขาบอกว่าให้พระไปฉันตรงที่นุ่นหมด เกรงว่ามันจะไม่พอนะเพราะว่าที่นี่เป็นที่รับทานของพวกแขก V.I.P. ว่า ง, งั้นจเจ้าโต๊ะเข้ามาตั้งพอเอ๊ะนั่งกับพื้นไม่ดีกว่ามันจะนั่งได้เยอะกว่าถ้าเอาโต๊ะมาตั้งมันแคบนะั่งนั่งไม่ได้แต่ก็แล้วแต่ท่าจัด ก, การอกันเลยนะลมอบที่ให้ท่านแล้วแต่ที่นี้พอแปดโมงกลับมาแล้วก็ทำพุทธส่วนตัวเสระนะ็จแล้วเก้าโมงเราก็จะมาทําพิธีที่นี่ จริุชพุทธมูปลปารบบรรพะลงะวันเกิดหลวงพ่อว่างถวายแสงลาของทั้งหมดเนี่ยือโอกาสถวายพระศาสนาให้เป็นงานเดียวกันญาติโ ย, ยมก็มานั่งสวดมนต์ใครจะทำอะไรกึ่งงเงาไปเรื่องของเขาเนะี่ยเรก็สวดมนต์ที่นี่เพื่อจะให้บรรยากาศมันไม่วุ่นวายทั้งหมดถ้าทัางคนทั้งวุ่นทั้งหมดนีมันไม่น่าดูใช่มแต่เราก็ทํำขี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีบรรยากาศเออตรงนี้เราต้องการความสงบนะไอ้คนข้างนอกมันก็จะไม่วุ่นวายกันมีหน้าที่อะไรก็ทําไป หลวงพ่อก็จะบอกให้พระเอวดูว่าพระผู้ใหญ่ท้าจะมาถึงเมื่อไหร่ก่อนจะมาถึงสักพักหนึ่งเราก็ทําทกิจกรรมสวดมนต์ทําพิธีแค่นั้นแล้วก็จบพระผู้ใหญ่เข้าไปนั่งแล้วก็ไปกราบพระแล้วก็ฟังท่านดาเนินการต่อไม่มีอะไรขัดข้องแต่ให้ไปดูท่านเอฟให้ไปดูว่าพระอาจารย์ดวงศิลจะมาก่อนเจ้ามาให้อาจารย์ดงศิลนําทําพิธีการสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ต่างๆเข้ามาจัดการที่นี่ แล้วพอทางคณะเขาขึ้นมาปับแล้วก็เสร็จพธิธีตรงนี้ก็ไปร่วมธนุนต่อพระเราก็ต้องไปนั่งฟังนะไม่ใช่หนีไปนะพระทั้งหมดก็ไปนั่งฟังที่นั่นจนถึงเวลาฉันเพลิเพราะหน้าที่การงานทั้งหมดให้ญาติยมเขาจัดการพระเราไปนั่งเป็นกําลังใจให้เขาไปนั่งเป็นระเบียบให้เขาญาติ ย, ยมทางวัดก็ออกไปนั่งอยู่ข้างหน้านะั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นก็ ใช่ดูหายใจไม่ต้องยกมือก็ได้นะเดี๋ยวพระที่เขาอภิปรายเขาสัมมนากันไว้เขายกมืออะไรเขาจะเกิดตกใจขึ้นมาพูดไม่ออกก็ยุ่งเลยนะ่ยเราก็นั่งเจริญอานาพาไปก็ได้เจริญอาณาพาแล้วพลิกมือเล่นพลิกมือเล่นไปงี้ก็ได้เพราะเขายังไม่คุ้นกับธรรมเนียมของเรานะเพราะนั้นก็เราอาจจะจัดที่นั่งของพระของเราข้างก็ได้เอาเก้าอี้เป็นั่งข้างให้ยายโยมก็นั่งกับพื้นยายโยมก็เอาอาสนะเลปิดปูกับพื้น ถ้าจะเอายกอีเข้าไปมันลกเขายากออกยากเพราะอ า, อาออสนะเมื่อวานเราก็มาไวตรงนั้นนะเดี๋ยวยกเออใช่ยงออกจากนี้เสร็จทำความสะอาดเสร็ก็ช่วยกันปูอาสนะตรงนั้นก็ปูให้อย่าให้ทีเกินไปและอย่าห่างเกินไปถ้าปูทีเกินไปจะเข้ายากปูห่างเกินไปคนจะนั่งไม่พอเก้าอี้คนจะวางสองข้างเพื่อให้นั่งให้พระนั่งพระผู้ใหญ่ก็จะนั่งด้านนั้นด้านเวทีนั้นพระาพ น, นัฐธรรมบุญําเภอพระสังฆาริการเพือนักงขบวนนั้นเราพระเราพระพื้นที่เราวบบ จ้างเขาเองสองข้างตรงกลางให้นังยมนั่งเหมือนดัานเจริญสตินั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องยกมือแต่พลิกมือเล่นๆได้หายใจ <c oughs> คือเราทําไม่ดีทีแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปมันเป็นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็โอเคเราก็ไม่ว่ากันแล้วแต่สถานการณ์มันพาเป็นแต่ถ้าทําได้ก็ดีถ้าทําไม่ได้สถานการณ์มันไม่เ อ, อื้อก็โอเคไม่เป็นไรเราก็ต้องเผื่อใจเอาไว้ นะทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเราจะเออต้องทํานี้นะถ้าไม่ทํานี้เราก็ติดอารมณ์อันนี้เขาเรียกว่าไม่รู้จักอันนี้ยังทุกข์งอนัตตาเราก็เป็นทุกข์อีกอันนี้มันเป็นสมูทัยไงียต้องเข้าใจใช้ในทุกสถานการณ์ไม่ใช่แค่การพิจารณาอย่างเดียวที่เอาไปใช้อนนี้ยังถูกทุกสถานการณ์อะไรที่มันจะก่อให้เกิดปัญหานี่นแสดงว่เออตรงนั้นเราต้องเข้าใจความจริงพราะมี่จะปรับเปลี่ยนได้ตลวงพ่อเป็นคนปรับเปลี่ยนไว้ที่สุดจนถูกกล่าวหาว่า พ่อไวไัยเป็นลิงเรนะ็วกันเปลี่ยนตลอดเวลาบางครั้งขังบวนเดี๋ยวเปลี่ยนสามครั้งเองในที่สุดก็มีโยมเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้เองถ้าเราตั้งไว้อย่างนี้ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้เราก็จะทุกข์ตลอดพอเราเปลี่ยนปั๊บทุกข์หายไปเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้เข้าใจหลักอ น, นิจจังที่เราใช้นะก็ขออนุทนาสาธุขอช่องชาวน้พระท่านจะไปจะฝากฝากละกัน